คว า, างธรรมกันเนอต่อนชาติตอนเกศเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเราได้ยินสิ่งที่เราได้ทมเราได้ทมสิ่งที่เราได้ยินแล้วก็ สมดุลศึกษาธรรมะเพื่อละความชั่วในใจเป็นการสัมผัสไม่ใช่งงมสาวๆมีสติเป็นปัจจุบันอาศัยกายเป็นนิมิต <c oughs> ไม่ใช่คิดรูต้องสัมผัส ใครก็คิดได้เด e ี๋ยท่องจําเอาใครก็ท่องจําได้แต่ไม่ได้สัมผัสการสัมผัสนี่มันทําให้เป็นปัจจัััตตงเปป็นจจุบันชีวิตเองสัมผัสกับโลสพระธรรมเป็นยังไงสัมผัสกับกุศลเป็นยังไงสัมผัสตับอกุศลเป็นยังไง มีสติจึงจะรู้รสชาติขอ ง, ขของกุศลหรอกุศลเรงหลงเป็นยัางไงเวาเรามีสติจะรู้เออนี่หลงเรองรู้เป็นยัางไงาเรามีสติเราจะรู้เออนี่คือรู้มาคิดนเะขียนไปอย่างนี้ เทวศึกษาระ่งังหลงระหว่างโลกมันต่างกันไหมให้ทำให้แยบคายทำไว้ไหนใจแต่ไม่ตั้งไว้มันก็ไปข้างหลังไม่ไปข้างหน้าชีวิตของเราเนี่ย มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีจปัจจุบันปัจจุบันเราค่อจะอยู่เพราะไม่ตั้งไม่เคยตั้งไว้มักจะไปอดีตบ้างมักแกไปอนาคตบ้างจนจำนี้จำนาญเราไปค่อยอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ปล่อยทิ้งตรงนี้ทิง ปัจจุบันวันสําคัญมันต้องตั้งโต้ปัจจุบันเมื่อมีปัจจุบันไ ม, ม่ไม่มีปัจจุบันเป็นตั้งโต้มันก็ไปอดีตไปอนาคตจิตใจของเราเนี่ยไม่อยู่นิ่งมันก็ติดมันเป็นสาไว้แล้วอดีตอนาคตมันเป็นรอยแล้วเคยคิดแต่เรื่องนั้น ส่วนปัจจุบันไม่เคยคินต้องมาหัดกันเจ้าไม่หัดมันไม่เป็นการหัดให้รูปปัจจุบันต้องเป็นตัวใครตัวเราไม่ทำให้กันไม่ได้ไดเรียกว่าวิชากรรมฐานไม่มีใครทําแทนกันได้ เสนรักเสนลักล ก, ก็ช่วยกันไม่ได้แต่แม่รักลูกลูกรักพ่อแม่พันญาสามีรักกันก็ช่วยกันไม่ได้ถ้าเราไม่หัดอันหัดนี่ต้องทาให้เป็นอาว่าที่เป็นไม่ใช่คนอื่นสอนเราสอนตัวเองส่วนพระว่าให้ลูกเนี่ยใครสอนเราก็ได้เราก็มีความรู้เดียวกันทั้งนั้น ก็หลงมันไม่ดีความทุกข์มันไม่ดีความโกรธมันไม่ดีเราก็รู้แต่ว่ายังพากันหลองอยู่ยังพากันทุกข์ยังพา ก, ากันโกรธตอนทัานนี้รู้อยู่เสมอไม่สมหตุระหว่างมันหลงมันรู้เป็นยังไงอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องนันก็หล่อีมอาหาร ลดประทรบ ม, มังกรลถอาหารใจเรียกว่าอาหารมโนสัญจตนาอาหารอาหารทางใจอาหารทางวิญญาณเวลามันโกรธไม่โกรธเป็นยังไงมันจะต่างกันอยู่นะอะไรที่มันมีโทษอะไรที่มันไม่มีโทษผมโกรธมีโทษไหม ก็ไม่โกรธมีโทษไหมไม่มีคำถามตรงนี้เรียกว่าปัจจัดตังสองเทศของกิงไม่ต้องไปถามใครปัจจัดตังนี่ไม่มีคำถามเป็นกิดแต่มีแต่คำตอบตัวเองต้องตอบตัวเองไม่ใช่คนอื่นตอบให้ ความหลงเป็นธรรมหมความไม่หลงเป็นธรรมหมความกวดเป็นธรรมหมความไม่กวดเป็นธรรมหมความทุกข์เป็นธรรมหมความไม่ทุกข์เป็นธรรมหมสัมัสเอาถ้าเราไม่สัมผัสเราจะไม่รู้ลถตรงนี้ก็เลอยด้านไปดื้อตรงนี้ด้านตรงนี้ยังโกรธอยู่ได้ยังทุกข์อยู่ได้ทางตนนี้ไม่โกรธก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้ ก็ไม่ก็ไม่ไม่มีรอยไม่เหยียบรอยไม่ขีดเช่นเราไวา้ลบไปเลยเวลามันหลงก็ลบความไม่หลงไปเลยเวลามันโกรธก็ลบความไม่โกรธไปเลยเวลามันทุกข์ก็ลบความไม่ทุกข์ไปเลยไม่เห็นตรงนี้กันจึงมาศึกษากันเถอดพวกเรา เรามาช่วยตัวเองตัวนีวเ้เราก็เท่ากับช่วยคนอื่นอย่างที่เราสาธยายพระสูตรอดีตก็ลัไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาปัจจพันนัจจะโยรมังปัจจติโยรมังจ <laughs> ่ไหมฮะ จงทำปัจจุบันให้แจ็งแกรงอย่าก็แน่นคอนแขนจงพวกคุณอาการเช่นนั่นไว้แลามีความรู้พวกคุณเอาไว้เวลามันหลงรู้เนี่ยพวกคุณตรงนี้เวลามันคิดไปอย่าไปกับความคิดให้รู้พวกคุณอยู่ตรงนี้ก่อนจงทำปัจจุบันพ่อคุณเอาไว้จะให้หลงเป็นหลง ให้ทุกเป็นทุกให้โกรธเป็นโกรธมันก็ไม่นีปัจจุบันถ้าไปทางความหลงก็ไปสู่นลกการทำย่อมอไปสู่นโลกทำคือไม่หลงย่อมไปสู่สุขติมันแยกทางกันตรงนี้เราเคยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงมีบ้างไหมชีวิตของเราเนี่ย เปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธมีบ้างไหมเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์มีบ้างไหมเหมือนกับฝ่ามือหลังมือมันมีสองด้านมันมีคู่อะไรก็มีคู่แบบนี้ในโลกนี้ก็ฉีดได้เถอะมองแบบนี้จึงได้ออกเสวงหาเรื่องนี้เห็นความเกิดก็มองถึงความไม่เกิดเห็นความเจิก็มองถึงความไม่เจร เห็นความเจ็บก็งองที่ความไม่เจ็บเห็นความตายก็มองทีวไม่ตายไม่ยอมเจ็บไม่เจ็บมีไหมในความเจ็บในความทุกข์มีไหวในความไม่ทุกข์เดี๋จนตรงนี้ใจใจชักหนอยทวนก็เสือชักหน่อยแม้แต่เพียงดิบดก็ไปสักหน่อยเวลามันโกรธก็มองทีควไม่โกรธ ทำ ใ, ใจมีสติช่วยสติจะคุยทางให้ไม่ต้องไปห้ามเวลาเมโกะก็กรู้จตัวบากคัมมากัมากมาที่ตั้งมีสติอันนี้มันช่วยได้เหมือนเครื่องมือเครื่องมือกุญแจหรืออะไรมันเกิดออกเผยออกสติมันเป็นเปิเปดเผยออกมา จะได้เห็นแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเป็นผู้โกรธหรือ ว, ว่าไม่เปิดถ้าเห็นมันโกรธเปิดรากว่าเปิดของค้ามเปิดของปิดอไหหงายของว้ฮมอันนี้การเปลี่ยนอย่างนี้เรียก ว, ว่าปฏิบัต เป็นปฏิบัติเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผีดเป็นถูกหรือ ว, ว่าปฏิบัติตัวเจ้าจึงบอกว่าหายของที่คว่ำขึ้นแล้วเปิดของที่ปิดออกแล้วพระเจ้าบอกจากนี้ถ้ามีความหลงก็มีความไม่หลงแล้วบอกไปแล้ว ถ้ามีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์บอกไว้แล้วแต่เราดือด้อด้านกัน่ะขอให้หลงเป็นหลงคนดือ้อปุตุชนผู<ม>้หนาผู้มืดแต่อันอื่นรู้แต่ว่าไม่เกี่ยวไม่ไม่ไมทําตรงนี้<ม>อันรู้อย่างอื่นเรียกว่าอวิชาไม่รู้ตรงนี้เอาไม่รู้ตรงนี้เรียกว่าวิชา แต่รูปตรงนี้จึงเรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนอันวิชาที่รู่นเอินนอกไปโนนมันเป็นอันหนึ่งไม่ใช่เจรณนะไม่ใช่ที่พึ่งการกระเสไม่ใช่ที่พึ่งกันสูงสุดของเราจึงมาปฏิบัติคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีอย่าพักันดื้อด้าน เรียว่าสอนตัวเองแก้ไขตัวเองเตือนตัวเองถ้าหลงเวลาลูกมันก็เป็นก้าหนึ่งที่ออกไปจากความหลงได้แล้วถ้าหลงเป็นลูกถูกต้องชอบแล้วอยู่โดยชอบแล้วทํางานชอบแล้วตั้งใจชอบแล้วถ้าทุกเป็นลูกชอบแล้วอยู่โด้ชอบแล้ว อยู่ที่ไหนก็ชอบอยู่ที่บ้างก็อยู่โดยชอบอยู่ที่รุ่งที่ดอนอยู่ที่ไหนอยู่โดยชอบถ้ามันหลงเป็นเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปนี่อยู่โดยชอบเมื่อเราอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์คืออยู่ตรงนี้ไม่ใช่มาอยู่สุกตัวนะอยู่โดยชอบก็อยู่ทุกที่ก็ได้ เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่มันก็หลงไม่มีอธิีบทดอกความหลงความทุกข์นอนอยู่ก็หลงได้นั่งอยู่ก็หลงได้โกรธได้ทุกข์ได้นั่นแหละเราก็เปลี่ยนมันเราหัดเอาไว้หัดให้มันเป็นถ้าไม่เป็นแล้มันหลงรู้ให้เป็น ถ้าหลงเป็นหลงวิอวิชาอ็ทุกข์เป็นทุกข์ด้วยอวิชาก็โกรธเป็นโกรธด้วยอวิชาก็เป็นไปไกลเกิดตัณหาอุเบานพพชาติฉลาดรณะโศกปิเทวทุกข์โหเจ็บเจบตายไปถ้าหลงเป็นหลงถ้าทุกข์เป็นทุกข์ถ้าโกรธเป็นโกรธไปทั้งต่ํา มันก็น้ำไหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ำจนเอาคืนไม่ได้ํำดีได้ยากทำช่วยได้ง่ายถ้ามันไปต่ำแล้วอะไรที่เกิดขึ้นพอใจไม่พอใจออกท้าออกตา <c oughs> ถ้าบางถอนลงไม่ใช่ความพอใจไม่ความไม่พอใจ อยู่ตรงความไม่เป็นอะไรถ้าไปพอใจเธอไปไม่พอใจมันเป็นภกเป็นชาติถ้าไม่เป็นอะไรเห็นมันมีจิถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พอใจไม่พอใจเป็นลดของโลกมันเป็นโลจิยะมีรสชาติแบบนางสังสัตว์สัตว์โลกย่อมติด ติดความพอใจติดความไม่พอใจจํานานพอเห็นพอสัมผัสก็พอใจไม่พอใจเกิดจากตาเห็นโูกก็พอใจไม่พอใจเกิดจากหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจเกิดจากลล่นได้สัมผัสก็พอใจไม่พอใจเกิดจากกาเกิดจากจิตใจคิดก็พอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิด เบาบางอย่างนั้นชีวิตเราเนี่ยคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์นอนตาหไหลกินไม่ลงภาษาความคิดเฉยๆก็ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่ฝึกสอไม่ปฏิบัตินอนไม่หลับเพราะความคิดกินไม่ได้เพราะความคิดเวลานอนหาเรื่องม่คิดไม่อยากคิดมันก็คิดก็ไม่หาตดนสอนดน เวลานอนก็ไม่ค่อยได้นอนชิ้นเปล่งพลังงานเราจะมาสอนตัวเราเนี่ยให้มันอยู่ไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่าไปให้มันไปฝังทางไหนฝังขวาอารมณ์ของคนนี่ไม่มีเส้ยมีขวา อารมณ์ขวาเรียกว่าอิถธาลมพอใจอารมณ์ไปทางซ้ายเรยกว่านิถธาลมไม่พอใจได้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ว่าบวกว่าลบอารมณ์บวกพอใจอารมณ์ลบไม่พอใจมันมีสองอันเท่านี้แต่ระหว่างไม่เป็นอะไรมันมีอยู่นะมันเหนือโลกนะชุก ไม่สุกก็ได้เห็นมันสุกพอใจเห็นมันพอใจไม่เป็นผู้พอใจตรงนี้เันสุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุขนั่นนะตรงสาคัญตรงนี้นะเห็นทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์สำคัญตรงนี้เป็นโอกาสดีนาทีทองตรงนี้จะมีเท่าไหร่ก็ทำได้อย่างนี้ แต่เราไม่ทำโ อ, อกาสนี้พลาดเสร็จแล้วเวลามันหลงไม่รู้เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธมาให้เราได้ศึกษาไม่ได้บทเรียนเราไมไ่ศึกษาก็เลยฝีหลงฝีฝีไปโกรธฝีฝีทุกข์ฝีฝีมาทางใดก็รับ ถ้าทุกข์มาก็รับเอาความทุกข์ถ้าสุขมาก็รับความสุขเลยฟรีไปมันเสาะชะละชีตของเราเนี่ย <vocabulary> ร <DOWN> ับใช้ความสุขความทุกข์เป็นสมสอนโสเพนถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตโสเพนีสมสอนรับใช้ถ้าเห็นมันทุกข์ไม่เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มีศักดิ์ศรี เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาบริสุทธิ์บริบรูรณ์เป็นพรมจารย์บริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่ไปเป็นวัตถุสิ่งของถ้าบริสุทธิ์ภายในภายนอกบอริสุทธิ์ได้ะะนะรัม เห็นลูกตาเห็นโลกจักแต่ว่าเห็นแค่ได้แล้วถ้าเห็นทุกข์ก็เหมือนเห็นงูหลบได้ไม่ให้งูกัดถเห็นทุกข์เป็นทุกข์หรืองูกัดแล้วพิษแล้วมีพิษแล้วถ้าโศกเป็นโุกก็มีพิษแล้วพิษคนละ พิษทำให้เราเสพติดได้บางคนติดในความทุกข์บางคนติดในความสุขถ้าเลิกสุขก็ความทุกข์ก็ตามมันมีอยู่ถ้ามีสุขก็มีทุกข์ถ้ามีเจอก็มีตายถ้ามีเกิดก็ไม่เจอถ้ามีเจ็บก็ไม่ตายถ้าไม่เป็นอะไรตรงเนี้ยสําคัญนะถ้ามันชํานาญเป็นศาติเป็นศิลป์ไ แตาเราไม่หัดเลนเปราะบางการหัดก็ไม่ยากตามหลักทฤษฎีของพระเจ้าในหลักอิกสัะ จ, จีเราเคยได้เลียนได้อ่านไปได้ฟังพระเทศพระสอนจำได้แต่ไม่ออกมาทำการกระทในสำคัญมันยังเป็นกรรม กรรมําแนกสัตว์กรรมฐานศักดิ์สิทธิ์นะเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เนี่ศักดิ์สิทธิ์เปลี่นทุกข์เปไม่ทุกข์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวลามันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์ใช้สติของเราได้อย่างเต็มที่เวลามาโกรธเรามีสติไม่โกรธใช้สติของเรา เรามาค่อยใช้สิตที่เรงนี้ไม่เป็นธรรมาที่ปัจจัยเป็นโลกาที่ปัจจัยไปไปทางโลกโลไม่ในปา่าไปทางธรรมเวลามันโกรธไม่โกรธเป็นธรรมาทิ่ปัจยเวลามันโกรธเป็นผู้โกรธหรือว่าโลกาที่ปัจจัยเหมือนโลกเขา<ล>อยู่กับโลกไม่พ้นจากโลกผู้ดีศึกษาแล้วนี่โลกาวิทูเหมือนผู้เจ้าลู่แจ้งโลก โลกคือกายอังกุ๊งสองจจวานาคือมีจิตมีใจในวิญญาณรู้อะไรได้มีธาตุรู้หมันโลกอันหนึง่งถ้าเรียนตรงนี้จบมันก็จบไปหลายอย่างครบวงจรที่จะดีเรื่องนี้อย่างอริยสัตสี่เนี่ยทุ ก, ทกเห็นอันประเิฐนะ ถ้าเห็นถ้าทุกเห็นทุกเห็นอย่างประเสริฐเหมือนเห็นงูจะเห็นงูก็ไม่ไม่ไม่งูกัออกไปพ้นไปรุนนะเห็นทุกพ้นทุกนะเห็นความโกรธพ่นความโกรธนะอริสัจเฉียดถ้าเห็นทุกเป็นทุกเห็นมันโศกเป็นโศกโกรธเป็นโกรธไม่พ่นนะเจ็บปวด บางคนก็พอใจนะแต่ละมันโกรธปั๊กจะไม่ลืมยึดไว้ยึดได้ยึดตีบางคนถึงกับพูดว่าถ้ากูได้โกรธตายก็ไม่ลืมมันมีพิษเหมือนกันนะไม่ลืมได้ความโกรธอ่ะอยู่บ้านก็โกรธมาชุก็โตรแล้วก็ยังโกรธอยู่ไกลเป็นหลายร้อยหลายม้ก็ยังโกรธอยู่เพราะมันมีพิษ ก็เราไม่หัดนะว่าเราไม่หัดก็รับโทษรับไภายไปถ้าหัดก็เหนื่อได้มีแล้วในโลกเนี่ยคนไม่หลงมีคนไม่โกรธก็มีคนไม่ทุกข์ก็มีอย่านึกว่ามันไม่มีอย่าน้อยก็มีพุทธเจ้าก็สาวกจนวันถึงพวกเราก็ยังจะมีอยู่ถ้าเราประคันาะ เริ่มตัวจากเพียนหลงเป็นรู้เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นสำคัญนะถ้าเป็นเนี่ยมันมืดถ้าเห็นเนี่ยมันสว่างเป็นเัลเสแห่งพะข้พานได้เห็นไม่เป็นน่เห็นมันหลงมีทางพบทางไม่เป็นผู้หลงหลุดไปแล้ว เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธหลุดไปแล้วเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มีเตเห็นนไะเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นมากทุกข์มันเป็นผลเมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นเหตุสมุทัยเป็นเหตุแลวทำไมยังทุกข์เพราะมันหลงเหรอไม่ทําเหตุ嘛 ถ้าไม่หลงก็ไม่ทุกขนะ์เหตุไมอยู่ที่หลงเหมือนนิ้วมือสามนิว้วเห็นไห ม, ไมนิ้วเนี่ยสําคัญนะถห ล, ลงเนี่ยถ้าหลงก็สุขถ้าหลงก็ทุกข์ถ้าหลงก็โกรธถ้าหลงก็โลภถ้าไม่หลงก็ไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรอันสุขอันทุกข์ไม่มีเลยถ้าไม่หลงนะนะตัวหลงนี่เป็นใหญ่ด้วย เรว่าสมุทยัยเป็นอวิชชาอาวิชชาคือภาวะที่หลงนะ้ำความหลงไม่ใช่อยู่ที่หลงครับว่าหลงเห็นรูป ก, ก็หลงได้ยินเสียงก็หลงได้กินก็หลงสัมผัสก็หลงคิดก็หลงมันมีทั่วไปความหลงนาะำแต่มันยิ่งใหญ่มันก็ครอบคุมไปหมดแต่ทางไหนอ้อหลงโหนหน้าพอใจไม่พอใจนั่นละเหตุต่อหลง ความพอใจก็จคือหลองนั่นแหละไม่ตพอใจความไม่พอใจคือหลองนั่นแหละมันจะเกิดความไม่พอใจชุบ ก, ก็คือมันหลองนั่นแหละทุ ก, ก็คือมันหลองนั่นแหละเธอสุขเธอทุกข์มันเป็นคู่กันนะ่ะแต่ไม่สุขไม่ทุกข์เหนือสุขเหนือทุกขนะ์น่ะมันเป็นขี้เป็นพรมจันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระเจ้ายังเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยสมุทัยคือเหตุนั่น เปลนหลงเป็นไปหลงจัง<ะ>มันก็จบมาง่ายๆไอาเช่ไปห้ามความหลงมากําหนดกายเวลามันหลงคิดไปกลับมาลูบถึกตัวมันหลงไปกลับมาแล้วทีลใดก็หัดอาศัยนิมิตต่อไปถ้ามันเจงไม่ต้องอาศัยพอหลงไม่หลงที่รก็รู้ที่นั่นนันทีแล้วต้องอาศัยนิมิตหัดไใหม่ต้องอาศัยนิมิไไมตอ เป็นเครื่องยิดไว้เหมือนเดินแต่ลาวสะพานถ้าหัดได้แล้วก็ไม่ต้องจบราวเหมือนคนไปหัดแต่สะพานเขียนที่เขาใหญ่เคยไปไหมอืมไต่สะพานใช่ไนมนไปอย่างนี้ กาต้องเจาบเปล่าไปก่อนถ้าหัดไปหัดมาเขาไม่ต้องจเจาเปล่ามันสงตัวได้เหมือนคนหัดไตหนังก็ เ, เห็นไหมไตเชือกก็หัดได้มันหัดได้อันภาษาอะไรหลงเนี่ยหัดรู้มันไม่ยากขนาดนั้นมันอยู่กับเราอมันหลงที่ไหนบ้านใดเมืองใดเวลาไหนรู้เวลานั้นนาะ ถ้าไม่หัดก็ไม่เป็นแปงนี่เรียกว่าฝึกหัดกรรมฐานฝึกหัดรูปเอารูปไปใส่เอารูปไปเฉลยตัวรูปจึดตัวเป็นตัวเฉลยใหญ่เป็นแท็กเตอร์ตัวใหญ่เหมือนไม่กวดไม่กวดผ่านไปตรงไหนก็ฝุ่นก็ไปเลยไม่ยากไม่ใช่ไปมีอะไร อดก้นไหลมาเพราะมันหลงลูกขึ้นมาเจ็ดแล้วต้อมันโกรดลูกขึ้นมาตา เ, เปียบเหมือนแทรกเตอร์ใบมีแทกเตอร์ใบมีแทกเตอร์ผ่านไปตรงไหนมันก็เลียบไปเลียบไปเดินทางไปเตินทางไปทุบทางเหมือ น, นเราหลงเหมือนก็นเดินเข้าป่า ถ้าเราลุกเดนขั้วทางเป็นทางรืว่าอริยมรรคเพียนหลงเป็นไม่หลงเป็นมรรคมรรคคือดูดูเล้เห็นไม่เป็นเพราะมีมรรคมันจึมีนิโลดมันพ่นไปเห็นงูออกจากงูเพราะว่างูมันอยู่นี่ไปมันก็พ่นไป ถ้าเห็นก็พ้นถ้าเป็นไม่พ้นเห็นทุกพ้นทุกเห็นความโกรธพ้นความโกรธเห็นความแก่พ้นความแก่เห็นความเจ็บพ้นความเจ็บเราจะไม่เจ็บผู้ความเจ็บเราจะไม่แก่ผู้ความแก่ไม่จะเห็นเราจะไม่ตายผู้ความตายไม่จะเห็นเห็นมันจะตายไม่เป็นผู้ตายนั่นจึงเหนือเกิดเกิดแเจ็บตายเขาัดไปอย่างนี้อ่ะ นี่ก็มาฐานมีไม่มากในโลกน้อยคนที่ฉัตรนี่กันลองตลอดสักชาติลองรู้ได้ไหมถ้าเ้าเป็นนะักบวชก็บวชจักาติหนึ่ง <laughs> ถ้าเป็นญาติของบวชฉัตรแล้วนี่ัชกชาติหนึ่งลองรู้จประเทศไทยนะเนี่ยมีสาสายแบบชาวพุทธ มีวัดว่าอารามมีพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนมีธรรมมาเอามาพูดมาขี้แจงให้ฟังอยู่เอามา ส, สาธยายพตรนกชัชาติสังารสังส ะ, งสะระจังนี้พิจังอย่างที่เราสาธยายพูตระหงษ์สมมาชมุโตพกว่าพพุทธเจ้ า, าเป็นพระอรหันต์แต่รูชอบได้ลดพระองค์เอง เลยสว่าขาโตพระวตาธรรมโมธรรมมันพระผู้มีพระเจ้าตัดไปดีแล้วหายของที่พ่วงออกขึ้นมาแล้วเปิดของที่ปิดออกแล้วตัดไปดีแล้วจะมาต่ออีกไม่ได้จะเพิ่มอีกไม่ได้ผู้ศึกษาปฏิบัติต้องทำด้วยตัวเอง ปฏิบัติได้ผลได้ไม่จำกันการมันหลงเวลานี่เปลี่ยนเปลี่ยนหลงให้เป็นรูปหลงกลางคืนเปลี่ยนกลางคืนให้เป็นรู้หลงกลางวั น, วนเปลี่ยนกลางวันเป็นรูปหลงวินาทีนี้เปลี่ยนวินาทีนี่เป็นรู้ปฏิบัติได้มีสิตทใช้สิติของเราให้ได้ ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งไหนจริงผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในทางที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรเจ้ผู้ปฏิบัติวิหนอทีหนึง่งรู้ทีหนึ่งนะสมควรไหมเนี่ยวิหนอทีละรู้มันจะมีมากนะเนะีสมควรเจ้ผู้ปฏิบัติ เชิญให้มาดูมาดูซิมามามาดูเนี่ยมือวางไว้เขาดูซิเอามือวางไว้นี่พอเข่าไหมนีเข่าไหมนีมือไหมวางไว้เนี่ยดีที่มืออยู่ไหนมืออยู่ไหนตอบมเลย ถามไหมมือของฉันอยู่ไหนต้องถามใครไหมมีคำถามไหมไม่ต้องถามต่อยแฉงมือข้างัวยกขึ้นมาวางนี่แข้งยกขึ้มรู๋ไหมรู๋ไหมรู๋ไหมรู๋รู๋รู รูตองมาดูรูไหยถ้ารูมันหลงหั้ยเนี่ยมีใครรูอย่างนี้ปะวินาทีละรลูก็ออชั่วโมงนึ่งสามพันหกร้อยวินาทีสามพันกร้อยรูแล้วมันฟรีไปเท่าไหรชีวิตรเราเนาะจชีวิตรฟรีมานานแล้วต้องให้มันรูด้วยเชเิญมาดูเชิญมาดู เช่อมาดูมารูเรื่องนี้กันอ่าดูปัจจัตังเวเป็นของผู้ศึกษาเองไม่ต้องมีคําถามมือเราพลิกอยู่ในรูปปัจจตังไม่มีคําถามสัจธรรมไม่มีคําถามแต่สมมุติมีคําถามปรมัจาสัจจะไม่มีคําถามสัมปทา ไม่ต้องมาเชื่อเราเชื่อใครเชื่อตัวเราเนี่ยศรัทธาต้นไม้ศรัทธาการกระทำท่า น, นนี้ไม่เป็นอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาเนี่ยศรัทธาเข้าหน้าไม่ศีลศีลคืออะไรไม่เป็นอะไรคือศีลเป็นการมีสติก็รักษาศีลแล้ว มีสติมีสติก็มีสมาธิแล้วมีสติก็มีปัญญาแล้วพร้อมกันไปหมดมีสติก็รักความชั่วมีสติก็ทำความดีคิดก็ไม่ได้เพราะมีสติอายตัวเองถ้าไม่มีสติผิดศีลศีลศีล ส, สิขานะศีลที่ไปสู่มรรคส่ผลไม่ใช่ศีลสังคม สินทั้งกรมไงคิดอะไรก็ได้ไม่ผิดชินชิกขานี่ผิดชินผู้ใดพิสูจใดไม่ไมม ค, ค, คีดใดมกงุ่คคมคนคิดอารมณ์ที่คนคิดไม่จัดสลละความคิดออกไม่มีสติถือว่าสิน้องเถอถทะลุแล้วด่างแล้วพ่อยแล้วชินชิขาอยู่เนีไยถ้าชินทังกรไม่ผิดไม่ปรับกันแต่ชินชิขาปรับกัน นี่สินพมจันย์ของเราแลรวสหาสินก็คือสติเนี่ยเราจึงคบของจรใครใครก็ตามทำได้น้องผ้าสีไหนก็ทำได้มีสติได้ความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์ไปสำเร็จเลยเป็นพวงไปเลยน่าจะขยันไม่ยาก พวกเราอยู่ที่นี่ก็อำนวยความสะดวกกันเป็นบนุญตัวฝ่าเพลินก็ฝ่าเพลินผู้ตําข้าวก็ตําข้าวผู้หงข้าวก็หงข้าวผู้ตำตำพริกผูก้ตนำน้ําพริกมีประโยชน์ไม่ใช่โจรผู้ร้ายพวกเรานะได้มีชีวิตเพื่อทําความดีเป็นบนุญต่างคนต่างศึกษากันอยู่แนวเชิญมาดูเชิญมาดูประเทศไทยเป็นแนีย ศาสนาในประเทศชาสนาพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้พระสงค์ก็พูดอย่างนี้นี่พระสงค์พูดนะถ้าหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงบอกแล้วนะพระสงฆ์พูดอย่างนี้เปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธนี่พระสงฆ์บ อ, ก อ, อนนนนกอย่างนี้สอนคนอื่นในลู่อย่างนี้โดยพระสงฆ์นะเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์นี่พระสงฆ์บอกตะคนบอก กูต้หัวมันเป็นไรก่อนทรน์มีไหมถ้ากูได้โกรกกูไม่ด่ามันกูก็ยองไปกูจะพาไปด่ามันคนโอนกันไปโอนกันไปจะโนไหยฮะทำไงโขนเอาของหลายๆอย่างมาใส่โขนกันไปสุกก็อทุก็โอโกรดเอาหมดบางทีเอาความทุกข์ ไม่รู้จักเริ่มเอาความโกรธโนมนุษย์เขาไม่เอานะถ้าหลงเป็นหลงคนแล้วนะถ้าหลงเป็นรูปมนุษย์และนะ้วไปสูงแล้วต้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์เป็นคนถ้าหลงเป็นรูปทุกข์เป็นรูปสศกเป็นรูปนมนุษย์มนุษย์ไปทางสูงสูงไปสู่สุคติต้อคนไปสู่ทุกขติ ยินไห ม, ไมพระพูด้วเนี่ย <laughs> สมกวรเฉยเวลากราบพระ พ, ระพื่อคำ